ในโลกของเราใบนี้ท่านฟังมันมีเรื่องยุ่งยากกวนใจกังวลเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวก็มีผัสสะเรื่องนั้นไหนจะเรื่องเพื่อนร่วมงานไหนจะเรื่องเรียนหนังสือไหนจะ ยังสร้างเจอเป็นเพื่อนร่วมงานอีลุงตุงนางสารพัดนะไม่จบไม่สิ้นนะมัน นะเค้าด่าบ้างเค้าชมบ้างรวยบ้างขึ้นการลงการไปซ้ายวนไปวนมาไม่วนไปวนมาวัฏสงสารนะไปเอ่อสร้างกรรมไม่ ซึ่งซึ่งถ้าจะพูดไปจริงๆนะฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของ แล้วก็ให้กันก็มีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคอยกีดกันกันอย่างเดียวนะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของสังสารวัฏที่ อ่าเขามาจอดขวางหน้าบ้านเราอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเขามาจอดขวางหน้าบ้านเราอยู่แป๊บเดียวแค่นั้นเองนะอ้าวเราจะเข้าโอ้มันมีเศษเล็บอยู่นี่ใคร มาหาดูดีๆなるว่าเรื่องอื่นก็ได้อย่างเราเอ่ออ่านคานหนังสือพิมพ์นะ นะเพราะผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วเนี่ยเรามาดูว่าเคยที่ที่ นะมันก็ตั้งอยู่ละในบางทีมันตั้งอยู่นานมันตั้งอยู่แป๊บเดียวบางทีมันผ่อนลงบางทีมันแรงขึ้นนะความขึ้นก็มีนะมันได้ทั้งด้วยนะนะมันยืดหยุ่นมันขยายได้ พูดอีกทีโกรธอีกทีนึงไม่ได้พูดก็ไม่โกรธอย่างนี้อืมจิตของ ประเด็นที่ที่ที่ต้องทําความเข้าใจก่อนก็คือว่าไอ้เจ้าตัวโกรธกับจิตของเรา ไม่เหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันใช่มั้ยเรารับรู้ๆมันไม่ที่เข้าไปรู้กับผู้ที่ที่ไปรู้เค้าเนี่ยตัวที่มันมีความโกรธเนี่ยมันเป็นคนละ เป็นอย่างกันทุกข์ผ่านมาเฉยนะผู้ที่เข้ามารู้เป็นใครนะเป็นจิตของเราเป็นเจ้าเมืองของ นํามันไม่ใช่ของเรากันไอ้เจ้าความโกรธที่เราไปรู้มันเนี่ยมันไม่ใช่ ความชอบก็ตามความลุ่มหลงความคิดนึกต่างๆลมหายใจความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตสัก 2-3 วินาที แล้วพอเรากั้นลม 2 3 วินาทีเนี่ยจิตยังอยู่มั้ยเออยังอยู่ฮะแต่ลมหายใจดับมั้ยเออดับไปฮะแสดงว่าลมหายใจกับจิตเนี่ยมันเป็นกนละอันกันและถ้า นะความคิดนี่เกิดขึ้นบางทีเราคิด 10 50 ปีเราก็โอ๊ยปวดหัวละนะเราทําเอ้าแต่ความโกรธนั้นมัน เราเข้าไปผ่านกันไปแล้วนะว่าจิตเราก็อันหนึ่งความโกรธนั้นก็อันหนึ่งนะผ่าน ดูทีวีด้านฝั่งหรือดูภาพยนตร์ก็ได้นะเสียงเราก็ได้ฟังเสียงเราก็ได้ฟัง น่ะพระเจ้าบอกว่าจักขุวิญญาณก็มีนั่นคือความรู้แจ้งต่างๆนะ หือทำไมมันมันเชื่อมไปกับกายด้วยมันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันมันเป็น นะเราต้องดูให้ดีๆแยกกันให้ออกผู้เชี่ยวชาญยกตัวอย่างนี่เอาพระจันทร์มาดวงนึงคือเราก็มี ถ้าไม่มีดวงที่อยู่บนฟ้าดวงที่อยู่ในน้ําก็ 2 ดวงบนฟ้าอันหนึ่งในน้ําอัน เข้าใจด้วยการคิดนึกเอาอ่ะนะแต่เราพยายามที่จะอย่างน้อยทํากันใคร่ครวน แล้วเราจะเห็นตรงนี้ได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่ มันเป็นคนละส่วนแต่มันติดกันอยู่เนื้อรือม่าแกงกับช้อนอย่างเงี้ยแล้วมันติดกันอยู่เวลา พอวางปุ๊บคุณจะเห็นขอบของมันวางปุ๊บคุณอ๋อไอ้ที่เหลือทําให้เกิดปัญญาได้มีปัญญาแล้วจะเป็นยังไงเราจะได้มันจะ น่ะเวลาเราจะต้องฝึกสติก่อนนะสิ่งที่เราพูดกันอยู่ในรายการเป็นประจําคือเรื่องคือการรู้ลมหายใจนํามาสังเกตๆนะเกิดปัญญาได้นะมีสมาธิเกิด 106 ทางกระจัดตอบให้ได้แล้วก็ถ้า